เป็นบุตรชายของตำรวจชั้นประทวนชื่อชมนำสกุลระวีแสงกับนางยีหรือว่าสงวนระวีแสงสาวตลาดท่ายางนางยีให้กำเนิดลูกน้อยในขณะที่สามีต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการมิจฉาบัญชาในเดิมเรียกกันว่าบุญทิง้งเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันเมื่อมิจฉาบัญชาอายุได้หนึ่งขวบแล้วนางยีก็เข้ามาเป็นแม่ค้าขายผักในกรุงเทพ โดยฝากลูกชายไว้กับนายรื่นและนางผาดซึ่งเป็นปู่เป็นย่าของมิจฉาบัรชาที่หมู่บ้านสายคันเมื่อปู่ย่าเห็นว่าตัวอายุมากขึ้นทุกวันจวนจะเป็นไม้ใกล้ฝังเข้าทุกทีจึงไปฝากเลี้ยงไว้กับสามเณรแช่มระวีแสงผู้เป็นอาตอนนั้นบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดท่ากระเทียมชีวิตในวัยเด็กของมิรต้องติดสอยห้อยตามสามเณรแช่มซึ่งเป็นอา ต่อมาก็บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดสนามพรามามิจฉาบัญชาก็ติดตามตั้งแต่เป็นเนนจนกระทั่งเป็นพระเป็นเด็กวัตรที่อาศัยข้าวก้นบาทกินในเพลงข้าวก้นบาทที่แต่งโดยสมโพศล้ำพงษ์และบำเทิงโชดชูตระกูลมีเนื้อเพลงบางท่อนที่กล่าวถึงชีวิตมิจฉาบัญชาในช่วงนี้แล้วต่อมาได้เข้าศึกษาชั้นประมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดสายคัน แล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนประชาบาลวัดจันทร์เมื่อมารดามีฐานะดีขึ้นก็มาขอรับมิตรย้ายเข้ามากรุงเทพไปอยู่ที่บ้านย่านานางเลิงเยื่องกับวัดแครนางเลิงเมื่ออายุประมาณ9ปีก็เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยประสาทวิทยาถนนกรุงกรเกษมตอนนั้นเป็นลูกบุญธรรมของนากับนาเขยก็เปลี่ยนชื่อจากบุญทิ้งมาเป็นสุพิษนามสกุลนินสีทองตามสกุลของนาเขย แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสุพิษพุ่มเหมตามนามสกุลของนายเฉลิมพ่อเลี้ยงหลังจากเรียนจบมัธยมก่อนจะเข้าโรงเรียนจาอากาศมิดเป็นเด็กเรียนดีเก่งศิลปะงานช่างและภาษาอังกฤษนอกจากการเรียนและทำงานรับจ้างสารพัดแล้วมิดก็เลี้ยงประกัดช้อนลูกน้ำขายรวมถึงนำจักรยานเก่ามาซ่อมให้เขาเช่าหัดถีบ เพื่อจะหาเงินใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งครอบครัวเนื่องจากแม่มีหลานหลายคนที่ต้องดูแลนอกจากนี้ยังชอบเล่นกีฬาแล้วก็หัดชกมวยไว้ป้องกันตัวเขาสามารถคว้าเหรียญทองมวยนักเรียนสองปีในรุ่นเพเธอ เ, เวดและไลายเวดจากนั้นก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนปริยัตรังสรร์จังหวัดเพชรบุรีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เรียนต่อระดับเตรียมอุดมที่โรงเรียนพระนครวิทยาลายัย และก็ลาออกเพื่อมาสมัครสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศเพื่อรับราชการทหารอากาศจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าอยากจะเป็นนักบินเริ่มการศึกษาเมื่อพศ2497เป็นนักเรียนการบินรุ่นที่ปสิบของโรงเรียนการบินโคราชและโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าอากาศโยธินรุ่นที่11 สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม2499ติดยศจ่าอากาศโทจนได้เป็นครูฝึกที่กองพันต่อสู้อากาศยานกรมอากาศโยธินกองทัพอากาศดอนเมืองจึงเปลี่ยนชื่อเป็นจ่าอากาศโทพิเชษพุ่มเหมปี2499จ่าทัวสมอยได้ส่งรูปและแนะนำมิชฉยบัญชาหรือว่าจ่าเชษในขณะนั้น ให้รู้จักกับกอแก้วประเสริฐเพื่อให้เล่นหนังเพราะเห็นท่าทางรูปร่างหน้าตาที่หล่อและสูงสง่าของมิตรประกอบกับบุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนโยนกระทั่งได้พบกับคุณพระดรศักดานักเขียนวรรนิยายชื่อดังพระดรได้เสนอกับผู้สร้างหนังหลายรายจา่าสมจ้อยและจ่าเชิดก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปตามโรงพิมพ์ต่างๆโดยกิ่งแก้วประเสริฐเป็นผู้ผลักดัน พาไปพบกับผู้สร้างหนังรายต่างๆตามกองถ่ายเพราะเห็นความตั้งใจจริงของจาเชษรวมถึงส่งภาพให้ผู้สร้างแล้วก็ถ่ายภาพลงประกอบนวนิยายในนิตยสารด้วยจนกระทั่งได้รับการ ต, อ, อ, าตอบรับให้เป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ต้องทำใจปฏิเสธไปเพราะว่าติดราชการสำคัญไม่สามารถจะไปพบผู้สร้างได้หลังจากนั้นก็มักจะได้รับการปฏิเสธ จากบรรดาผู้สร้างทั้งหลายติเรื่องจมูกบ้างติโหนกแก้มบ้างโดยเฉพาะเรื่องความสูงที่จะหานางเอกมาเล่นด้วยลำบากและจาาเชิดเองก็ไม่ไม่รับเล่นบทอื่นด้วยนอกจากพระเอกต่อมาได้พบกับสุรัตนุกเว็จนกระทั่งนัดให้กิ่งแก้วประเสริฐพาจาาเชดิดไปพบทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องชาติเสือซึ่งวางตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้วหลายคน หนังเรื่องชาติเสือนี่เขาวางตัวเอกไว้แต่แรกแล้วหลายคนรวมทั้งชนะสิอุบลแต่ว่าประทีปโกมลพิษไม่ถูกใจเลยสักคนเดียวต้องการดาราหน้าใหม่ซึ่งเมื่อพบแล้วทั้งผู้สร้างผู้กำกับก็พอใจบุคลิกลักษณะของจ่าเชษจึงรับจ่าเชษเข้าสู่วงการหนังไทยแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่โดยเมื่อประทีปตั้งคำถามให้ตอบว่าข้อที่หนึ่งในชีวิตสิ่งใดสำคัญที่สุด มิรก็ตอบว่าเพื่อนครับประทิพก็บอกว่าเพื่อนก็คือมิรเมื่อรักเพื่อนก็เก็บเพื่อนไว้กับตัวงั้นดีให้ใช้ชื่อใหม่ว่ามิรก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อมิตสองในชีวิตเกิดมาภูมิใจสิ่งใดมากที่สุดมิรก็ตอบอย่างไม่ลังเลว่าได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีสวนสนามวันปิยมหาราชครับ เพราะว่ามิตรเป็นผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดและเขาได้ทำหน้าที่นี้ทุกปีตลอดการเป็นทหารของเขาอันนี้เป็นที่มาของนามสกุลชัยบัญชาที่นี้มาพูดถึงตอน9ก้าเข้าสู่วงการแสดงภาพยนตร์เรื่องชาติเสือบทประพันธ์ของเสกดุสิตกำกับโดยประทีบโกมลพิษเป็นเรื่องแรกที่มิตรได้ประกบกับนางเอกที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นถึงหคนนะครับ อาทิเช่นเรวดีสิริวิไรยนยนาถนอมทรัพย์ประพาศีสาธรกิจและน้ำเงินบุญหนักเป็นภาพยนตร์ที่เริ่มถ่ายในปลายปีพศ .2500 และเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เดือนมิถุนายนปี2501ภาพยนตร์ทำรายได้กว่า8แสนบาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากของสมัยนั้นทำให้ชื่อของมิชัยบัญชาเป็นที่รู้จักของประชาชนมิชัยบัญชาก็รับบทอินรีแดงในเรื่องเจ้านักเลง มิตดดงดังเป็นอย่างมากจากบทของโรมฤิติไกรหรือว่าอินทรีแดงในภาพยนตร์เรื่องเจ้านักเลงเมื่อปี2อ0 2ซึ่งเป็นบทที่มิตรชบัญชาต้องการแสดงเป็นอย่างมากหลังจากได้อ่านหนังสือจนทีมผู้สร้างชาติเสือตัดตสินใจไปพบเสกดูสิทธ์พร้อมกับมิตรชบัญชาเพื่อขอซื้อเรื่องมาทําเป็นภาพยนตร์เสกดูสิทธ์พูดกับมิตรชบัญชาว่าคุณคืออินทรีแดงของผม ซึ่งภาพยนตร์ทำไรายได้มากแล้วก็มีภาพยนตร์ภาคต่อมาหลายเรื่องต่อมามีภาพยนตร์เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้มิดอีกหลายเรื่องเช่นเหนือมนุษย์แสงสูนข่าน้ำนมร้ายก็รักผู้ยิงใหญ่ทั้งเก้าหงฟ้าทับสมิงคลานะมิดชัยบรรชามีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจากบทบาทการแสดงที่ประชาชนชื่นชอบและจากวินัยที่ดีในการทํางาน รวมถึงนิสัยและอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานมิดเป็นพระเอกดาวรุ่งที่โด่งดังอยู่เมื่อแสดงภาพยนตร์คู่กับเพชรชราชวราชนางเอกใหม่จากเรื่องบันทึกรักของพิม์ฉวีเป็นเรื่องแรกเมื่อพศ .2504 ภาพยนตร์ออกฉายปี2505มิดเริ่มก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศที่เป็นที่รักของประชาชน ซึ่งต่อมาตั้งแต่พศ2506ได้แสดงภาพยนตร์คู่กับเพชรรามากขึ้นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนพศ2507เป็นคู่ขวัญได้แสดงภาพยนตร์คู่กันมากที่สุดตลอดมารับบทคู่รักในภาพยนตร์ประมาณ200เรื่องจนแฟนภา พ, พยนตร์เรียกว่ามิรเพชรราแฟนหนังบางส่วนเข้าใจผิดว่ามิดนามสกุลเพชรรามีแฟนภา พ, พยนตร์จานวนมากที่ชื่นชอบในตัวมิร ถึงขนาดว่าถ้าไม่มีชื่อมิรแสดงก็จะเดินทางกลับไม่ดูหนงังทั้งที่เดินทางมาตั้งไกลแล้วแม่แฟนภาพยนตร์มักจะเข้าใจว่าเป็นคู่รักแต่ก็เป็นเพียงในภาพยนตร์ในความเป็นจริงแล้วทั้งคู่มีความสนิทสนมจริงใจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมิตรักเพชราเหมือนกับ น, น้องสาวคอยปกป้องแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้เพชราแต่ก็มักจะโกรธกันอยู่บ่อย บางครั้งก็ไม่พูดกันเป็นเดือนๆทั้งที่แสดงหนังร่วมกันอยู่เพชราเคยกล่าวว่ามิตรเป็นคนขี้งอนช่างน้อยใจปลายปีพศ2504มิตรประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไปดูสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องทวนสุริยะของปรีชาบุญยเกียรติเป็นเหตุให้มิตรสบ้าแตกหน้าแข้งหกักกระโหลกศรีรษะกลางหน้าผากเจาะและวันหน้าบินเกือบพิการถูกตัดขา แต่ในที่สุดก็ใส่สะบ้าเทียมและดามเหล็กยาวที่หน้าแข้งต้องฝึกเดินอยู่นานจึงหายเป็นปกติแต่อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ปรีชาบุญยเกียรติเสียชีวิตพศ .2505 มิตรร่วมกับเพื่อนในวงการภาพยนตร์เช่นอนุชารัตนามานแดนกฤษดาไพรัชสังวริบุตรจัดตั้งวัชรินภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์สองเรื่องคือยอดขวัญจิตกับทัพสมิงคลา พศ2506มิจฉาบัญชาก่อตั้งฉายบัญชาภาพยนตร์ของตัวเองสร้างภาพยนตร์เรื่องเหี่ยวดำหรือว่าครุฑดำเรื่องนี้ปรากฏว่าชื่อเรื่องมีปัญหาแต่มิตรก็ฝากฟันลงทุนแก้ไขจนออกฉายได้โดยไม่ขาดทุนท่ามกลางความเห็นใจของประชาชนและผู้อยู่รอบข้างมีการกล่าวว่าถ้าไม่ใช่หนังของมิจฉาบัญชาก็คงจะล่มจมขาดทุนไปแล้วทีนี้มาพูดถึงตอนที่มิตรลาออกจากอาชีพทหารอากาศ เมื่อพศ 2,506 ก็จำต้องลาออกจากอาชีพทหารอากาศขณะที่มียศพันจ่าอากาศโทเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพศ 2,506 เนื่องจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องครุฑดำโดยชัยวัญชาภาพยนตร์จากบทประพันธ์ของเสกดุสิตที่เขาถูกกล่าวหาว่านำสั ญ, ญลักษณ์ตาครุฑมาใช้อย่างไม่เหมาะสมครุฑดำจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเหี่ยวดำ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพอากาศขณะนั้นก็เห็นควรให้เลือกทำเพียงอาชีพเดียวมิจฉบัญชาก็กล่าวกับแฟนๆที่หน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงขณะที่ยืนแจกภาพถ่ายในเครื่องแบบทหารอากาศในวันที่หนังเรื่องเหยี่ยวดำเข้าฉายมิรพูดว่าถึงแม้ว่าได้เลือกอาชีพการแสดงภาพยนตร์เพื่อการเลี้ยงชีพแต่ทั้งร่างกายและจิตใจของผมคือทหารผมรักเรื่องแบบทหาร ชื่อเสียงความนิยมที่ประชาชนมอบให้ผมในฐานะนักแสดงผมก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของกองทัพอากาศเช่นเดียวกันการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทุกครั้งผมไม่เคยลืมที่จะกล่าวถึงการเป็นทหารอากาศมากกว่าการให้สัมภาษณ์อย่างอื่นถึงแม้ว่าการแสดงจะเป็นภาระจนทำให้ผมต้องตัดสินใจลาออกแต่ว่าจิตใจของผมและก็ทั้งตัวของผมก็คือทหารอากาศ เมื่อลาออกจากการเป็นทหารอากาศเรียบร้อยแล้วมิตรก็เข้าสู่โลกของการแสดงอย่างเต็มตัวเขาใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการแสดงทำให้มีผลงานมากถึง 35-40 เรื่องต่อปีซึ่งเป็นจำนวนที่มากถึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งปีกิงดาวดารณีเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารว่ามิตรเยเนชา มีภาพยนตร์ที่ต้องถ่ายเดือนประมาณ30สบเรื่องผลงานของภาพยนตร์เรื่องต่อมาได้เพิ่มชื่อเสียงให้กับมิจฉาบัญชาได้แก่ภา พ, พยนตร์เรื่องใจเดียวใจเพชรจำเลยรักเพลิงทรณงอวสานอินรีแดงนางสาวโพรดกเก้ามหาการชายชาตรีร้อยป่าสมิงบ้านไร่หัวใจเถื่อนสาวเคอฟ้า ทัพเทวาสิงล่าสิงห้าพยัคฆ์ร้ายธาตุพยองอินทรีมหาการเดือนราวดาวพระศุกมือนางพนาสวรรค์ลมหนาวแสงเทียนพระอภัยมณีปีศาจดำพระลอธรชนคนสวยเจ็ดพระการพยัคฆ์ร้ายใต้สมุดชุมทางเขาชุมทองไฟเสนหาฟ้าเพียงดินเงินเงินเงิน เพชรตัดเพชรในช่วงนั้นมิรมีรายได้เข้าบัญชีธนาคารเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งแสบบาทเวลานั้นนะซึ่งเขาก็สละเวลาหนึ่งวันในแต่ละปีเพื่อไปชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องปี 2,507-2,508 พรปภาพยนตร์เรื่องนางสาวโพรดกและสาวเครือฟ้าที่มิรแสดงนำคู่กับพิสมัยได้รับรางวัลตุกตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจาปี พศ2508มิอสอ 2, 8, แสดงภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินซึ่งเป็นภาพยนตร์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการถ่ายทำด้วยฟิล์ม35มิลิเมตรระบบซูเปอร์ซีเนสโคปสีอิสแมนร่วมแสดงกับเพชราชวราชชริ น, นันทนาครสุมาลีทองหล่อสุเทพวงกัแหงอรส า, าอิสรางกูลณอยุธยาทำไรายได้มากเป็นประวัติการ และมิดเพชรราได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมอบรางวัลตุกตาทองประจำปีพศ .2508 เมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ .2509 ในฐานะนักแสดงที่ทำไรายได้สูงสุดจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินต่อมาเมื่อปี2509ภาพยนตร์เรื่องเพชรตัดเพชรสามารถทารายได้สูงกว่า เงินเงินเงินเมื่อพศ 2,509 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมีความคิดที่จะจัดงานมอบรางวัลให้กับดารานักแสดงที่มีคุณสมบัติที่ดีในการทํางานเป็นที่รักของคนในอาชีพเดียวกันเป็นที่รักของประชาชนมีความรับผิดชอบและเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานโดยมิชชัยได้รับพระราชทานรางวัลดาราทองสาขานักแสดงนําภาพยนตร์ ฝ่ายชายแล้วก็พิสมัยวิไลศกฝ่ายหญิงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเวทีลีลาดสวนอำพรเมื่อวันที่24มีนาคม2510จากคุณสมบัติสี่ประการคือศรัทธาหน้าที่ไมตรีและน้ำใจวันที่13มีนาคม2510มิชัยบัญชาขอเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอดุสิตโดยขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลว่าชัยบัญชา หลังจากอยู่วงการภาพยนตร์ร่วมสิบปีโดยตามบัตรประชาชนใบใหม่ที่ออกให้เมื่อ3มกราคมพศ2512ใช้ชื่อและนามสกุลว่าพิเชษชัยบัญชาพศ2510หลังจากที่มิชมัยบัญชาประสบคว า, ามสาเร็จอย่างสูงแล้วมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศพร้อมหลักฐานก็มั่นคงจึงคิดช่วยให้เพื่อนๆตังต้งตัวได้โดยตั้งสหชัยภาพยนตร์ขึ้น ให้สลับกันเป็นผู้อำนวยการสร้างมิตรเป็นพระเอกให้โดยไม่คิดค่าแสดงหากมีปัญหาเรื่องเงินทุนก็ช่วยเหลือกันแล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงนี้จนกระทั่งถึงพศ2513ที่มิตรร่วมทุนสร้างด้วยเช่นจอมโจรมาเหศวรสวรรค์เบียงสวรรค์เบียงนี่เป็นเรื่องแรกที่อดุลยดุลยรัตน์เป็นผู้กำกับการแสดงโดยมีมิรแนะนำให้ผู้สร้างก็คือวิเชียรสงวนไทยอ่า ติดต่ออดุลแล้วก็บอกว่าอดุลจะเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือในอนาคตผลงานเด่นๆในช่วงนั้นมีหลายเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอเช่นจุลาตรีคูณแสนรักเหนือเกล้าไซโสกแสนสงสารอีแตนสมบัติแม่น้ำแควเจ้าอินซีรอยพรานสองฝากว่ารักเอยเจ็ดพระการทรชนคนสวยคนเหนือคนและผลงานที่แสดงถึงความสามารถของมิรอีกเป็นจานวนมาก แต่ว่าตอนนั้นไม่มีการจัดงานตุ๊กตาทองแล้วตั้งแต่พศ2509ปลายปีพศ2511มิตรเฉบัญชาได้ผันตัวเองเข้าสู่วงการเมืองขณะนั้นมิตรมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้มิตรหวังว่าชื่อเสียงเหล่านี้จะสามารถชนะใจประชาชนเหมือนเช่นการแสดงภาพยนตร์ทำให้มิตร ตัดสินใจอย่างเสียงตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในนามกลุ่มหนุ่มเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน 2,511 หาเสียงในเขตบางรักยานาวาสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่เขาก็ไม่ได้รับการเลือกเขาก็ไปพักผ่อนเข้าป่าไสายโยกที่จังหวัดกาญจนบุรีกับรังศรีทัศน พ, พยักษ์ล้อต๊อกกิ่งดาวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ออกมาทางานต่อ ต่อมาเมื่อพศ 2,512 มิตรได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ความนิยมในตัวเองอีกครั้งตามคําขอของเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่ระดับท้องถิ่นอีกต่อไปเพราะว่าเขาได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ผแทนรัษฎรจังหวัดพระนครกับปราโมทโคชสุนทรเพื่อหวังทํางานรับใช้ประชาชนและต้องการช่วยนักแสดงให้การแสดงเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการ ได้รับการดูแลเหมือนกับอาชีพเฉพาะทางอื่นๆโดยขณะหาเสียงมิรยังคงมีงานถ่ายทำภาพยนต์อยู่มากมายหลายเรื่องรวมทั้งต้องเคลียร์คิวหนังไปถ่ายต่างประเทศด้วยสองเรื่องเรื่องแรกไปถ่ายที่ญี่ปุ่นอีกเรื่องไปถ่ายที่ปีนังโดยคู่แข่งกล่าวกับประชาชนว่าถ้ามิรกับชายบัญชาได้รับเลือกตั้งก็จะไม่ได้มาแสดงภาพยนต์ให้ดูอีกมิดก็เลยไม่ได้รับเลือกเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนนที่สูงพอสมควร จะขาดไปเพียงห้าร้อยคะแนนได้เป็นที่16จากความต้องการสิบห้าคนการลงสมัครเลือกตั้งนี้เองทำให้เงินทองและทรัพย์สินของมิดร่อยหลอลงไปหลายล้านบาทพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังที่จำนองกับธนาคารเขาก็เก็บความผิดหวังไปเงียบๆและอีกความเจ็บปวดก็คือหญิงคนที่รักมากในได้ตีห่างจากไปเพราะเหตุผลว่าเขาผิดสัญญาที่ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งที่สองแล้วก็เลือกประชาชนมากกว่าเลือกเธอ อันนี้ทำให้มิตรเสียใจมากเขาพยายามตั้งใจอดทนสู้ใหม่รับงานหนังอีกหลายเรื่องเช่นเจดสิงค์คืนทินวิบานไฟจอมโจรมาเหศวรนทรชนเดนตายฟ้าเพียงดินไอหนึ่งชาติลำชีขุนทาาสมิงเจ้าท่าแม่ยานางลมเหนือสองสิงห์เจ้าพยักษ์กำแพงเงินตราวิญญาณดอกประดู่สวรรค์เบียงผลเดือนหและปีเดียวกันมิตรได้สร้างภาพยนตร์เรื่องรอยพราน ในนามของชัยบัญชาภาพยนตร์ด้วยพศ2513เขารวบรวมที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่จำนนงกับธนาคารเอเชีย4ล้าน600แสนบาทและจำนนงบ้านพักทั้งสามหลังรวมทั้งขายที่ดินที่จังหวัดสระบุรีอีก700แสนบาทเพื่อนำเงินทั้งหมดไปซื้อที่ดินตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าเนื้อที่514ตารางวาราคา7ล้านบาท เพื่อลงทุนสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดมาตรฐานเพื่อฉายหนังไทยโดยเฉพาะมีร้านค้าที่จอดรถแบบทันสมัยโดยหวังช่วยเหลือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยไม่ต้องไปรอโปรแกรมฉายต่อจากภาพยนตร์ต่างประเทศการออกแบบเรียบร้อยและดําเนินการปรับพื้นที่แล้วรวมทั้งมีโครงการสร้างภาพยนตร์สองเรื่องเพื่อฉายรับโรงภาพยนตร์ใหม่ เป็นการวางอนาคตของมิจฉาบัญชาผู้เป็นความหวังและที่พึ่งของเพื่อนที่ร่วมโครงการนี้และเมื่อพศ2513นี้มิตดรับงานแสดงภาพยนตร์ไว้ประมาณ50เรื่องแล้วก็ยังมีการแสดงภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่ฮ่องกงที่รับไว้ตั้งแต่ปีก่อนก็คืออัศวินดาบกายสิทธิ์โดยได้แสดงร่วมกับเถียนเยหวางหลิงแล้วก็เรื่องจอมดาบพิชัยยุทธ์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มิรเสียชีวิต ก็ให้ชายาสุริยันแสดงแทนในนามในเรื่องดาบคู่สถานลูกกันปีเดียวกันมิตรแสดงภาพยนตร์ร่วมกับเพชราในภาพยนตร์เรื่องมนตร์รักลูกทุ่งของรังสีทัศนพยัคที่มิตรก็มีส่วนร่วมในการคิดเรื่องแล้วก็ช่วยงานจนภาพยนตร์เสร็จแม้ว่าจะหมดบทของมิตรแล้วโดยมิตรร้องเพลงลูกทุ่งในเรื่องสองเพลงจาก14เพลงภาพยนตร์ประสบความสําเร็จอย่างมากมายฉายในกรุงเทพนานถึง6เดือน ทำรายได้6ล้านบาทและรายได้ทั่วประเทศมากกว่า13ล้านบาทปลุกกระแสมิตรเพ ช, ชาราให้โด่งดังมากขึ้นอีกและเกิดความนิยมเพลงลูกทุ่งในกรุงเทพเป็นปรากฏการณ์ที่นี้มาถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตคือการถ่ายทำฉากสุดท้ายของหนังเรื่องอินทรีย์ทอง พศ2513มิตรมีโครงการภาพยนตร์ที่แสดงนำและกำกับการแสดงเป็นเรื่องแรกในเรื่องอินรีทองซึ่งเป็นภาพยนตร์ชุดอินรีแดงเรื่องที่6ที่มิตรแสดงในบทของโรมลิติไกรหรือว่าอินรีแดงที่ต้องออกสื่อผาอินรีแดงตัวปลอมซึ่งรับบทโดยคันชิดขวันประชาอันนี้แสดงร่วมกับพิชราชวราชรับบทเป็นวาสนาการถ่ายทาสาเร็จได้โดยดีจนถึงฉากสุดท้ายของเรื่อง ไปถ่ายทากันที่หาดลงตานพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2513เวลา9นาฬิกาในเรื่องหลังจากอินสีแดงปราบผู้ร้ายได้แล้วจะหนีตำรวจออกจากรังของคนร้ายโดยหูนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีวาสนาเป็นผู้ขับกล้องจะเก็บภาพเฮลิคอปเตอร์พาอินสีแดงบินลับหายไปเพื่อความสมจริงและความไม่พร้อมของเสื้อผ้าของนักแสดงแทน มิดตกลงว่าจะแสดงฉากนี้ด้วยตัวเองโดยกำหนดการถ่ายทำไว้อย่างละเอียดแต่ด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคที่มิตรไม่อาจจะรู้ได้เพราะกำลังแสดงอยู่ปรากฏว่าด้วยแรงกระตุก ข, ของเครื่องขณะบินขึ้นโดยที่มิตรไม่ได้เหยียบบนบันไดและต้องโหนตัวอยู่บนบันไดเครื่องไม่ได้ลงจอดเมื่อผ่านหน้ากล้องแล้วมิตรพยายามให้สัญญาณด้วยการตบเท้าเข้าหากันในขณะที่นักบินมองไม่เห็นความผิดปกติ และการให้สัญญาณจากพื้นล่างยังบินสูงขึ้นต่อไปก็เกิดแรงเวียงในจังหวะที่เครื่องเลี้ยวกลับซึ่งจริงๆแล้วมิรได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้ข้อมือซ้ายเกี่ยวพันกับบันไดลิงแต่เนื่องจากเชือกบาดข้อมือจนเกือบขาดมิรทนความเจ็บไม่ไหวจึงตัดสินใจแกะเชือกที่รัดข้อมือแล้วก็ปล่อยตัวลงมาโดยตั้งใจว่าจะลงสู่บึงข้างล่างจะได้รอดชีวิตต่อด้วยชื่อว่าลม กระแสลมแรงตีร่างมิดทําให้ตกลงมากระแทกพื้นตรงจอมปลวกจากความสูง300อฟุตเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีราชาด้วยเฮลิคอปเตอร์เครื่องดังกล่าวภายใน5นาทีแต่ว่าสายเกินไปจากผลการชนะสูตรศพยืนยันว่าเขาเสียชีวิตทันทีเพราะร่างกายแหลกเหลวเชือกบาดข้อมือเป็นแผลลึก2เซนติเมตรยาว8เซนติเมตรกระดูกขากรรไกรข้างขวาหักกระดูกโหนกแก้มซ้ายขวาหัก มีเลือดออกทางหูขวากระดูกซี่โครงขวาหักห้าซี่กระดูกโคนขาขวาหักกระดูกต้นคอหักโดยเสียชีวิตเมื่อประมาณเวลา16นาฬิกาานาวันที่9ตุลาคมพศ2513หหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัว ข่าวการตายของเขาซึ่งกระจายข่าวไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงและไต้หวันหลังจากข่าวการตายของเขาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาถูกเคลื่อนย้ายออกจากบ้านทั้งสามหลังไม่มีเสื้อผ้าเหลือแม้แต่ชุดเดียวที่จะสวมใส่ให้ใหม่ตอนรถน้ำศพศพของมิชัยบัญชาตั้งบรรคเป็นกุศลที่วัดแคนางเลิงหลังจากครบร้อยวันพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดเมื่อ21มกราคมพศ2514 มีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปร่วมงานจำนวนหลายหมื่นคนสำหรับการพระราชทานเพลิงศพย้ายจากวัดแคร์ไปวัดเทพศิรินมีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกว่าสมแสนคนจนกระทั่งม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้ไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่นี้มาถึงชีวิตส่วนตัวมิตรสมรสกับภรรยาชื่อจารุวรรณสรีระวง อย่างเงียบๆ เ, เมื่อปีพศ2502มีบุตรชายชื่อยุทธนาพุ่มเหมแต่ว่าชีวิตสมรสไม่ราบรื่นเนื่องจากมิตรไม่มีเวลาให้ต้องทํางานตอนกลางวันถ่ายหนังตอนกลางคืนแล้วก็วันหยุดแล้วก็ต้องปกปิดต่อสาธารณาชนถึงสภาพการแต่งงานเพื่อรักษาความนิยมจากแฟนภาพยนตร์รวมทั้งภรรยาก็ไม่ค่อยเข้าใจถึงสภาพการทํางานและความตั้งใจจริงของมิตร ทั้งคู่จึงอยากขาดกันในเวลาต่อมาคือปีพศ2506ส่วนบุตรชายในมิตรยังคงรับผิดชอบส่งเสียเงินทองให้สม่ำเสมอรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยเมื่อมิตรเสียชีวิตบุตรชายเรียนอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนเซนจอนโดยมีชื่อมิตรชัยบัญชาเป็นบีดาหลังจากนั้นเขาได้รักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ยังไม่เปิดเผยกับกิงดาวดาราีภรยาคนที่สอง โดยผู้ใหญ่ขอาทั้งสองฝ่ายรับทราบอยู่5ปีจากบ้านของแม่ที่นังเลิงไปเช่าบ้านอยู่ที่ซอยกลางสุขุมวิทจนกระทั่งมิตรซื้อที่ดินปลูกบ้านในซอยจันทรโรดวงเมื่อพศ2507แล้วก็เข้าอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตที่บ้านทั้งสองหลังในพื้นที่200กว่าตารางวาทั้งที่รักกันมากแต่ว่าชีวิตก็ลุ่มลุ่มดอนๆอนดยการที่ทั้งคู่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเองสูง อารมณ์ที่เกิดจากมิดมีภาระที่รับผิดชอบมากและต้องทำงานให้สำเร็จมีเวลาพักผ่อนน้อยการหึงหวงของทั้งคู่และทิฐิต้องการเอาชนะของฝ่ายหญิงกระทะเลิกลากันไปด้วยความเสียใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะมิดหลังจากที่มิดลงสมัครเลือกตั้งต้นพศ .2512 กิ่งดาวก็ไปใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศอังกฤษก่อนเสียชีวิตเพียงไม่นาน มิตรได้พบรักใหม่กับสสิทนเพชรรุ่งภรรยาคนที่สามซึ่งมิตรได้ไปขอกับพ่อแม่ของสสิทรแล้วก็ปลูกบ้านให้ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมิตรใช้บัญชาปีความเป็นผู้นำเป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังตั้งใจทุ่มเทเต็มที่ละเอียดมีระเบียบ ว, วินัยตรงต่อเวลาสุภาพอ่อนน้อมมีอัธยาศัยไมยตรีอารมณ์ดีชอบหยอกล้อ ไม่ชอบการผิดนัดผิดคำพูดหรือไม่ตั้งใจทํางานหากว่าทําให้เขาโกรธนี้เขาจะโมโหร้ายมิตรเป็นคนทําอะไรรวดเร็วผู้ร่วมงานกับเขาต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอมิตรไม่จูจ้จี้จุกจิกขี้บน่นแต่ว่าจะสั่งสอนทําให้ดูเป็นตัวอย่างบุคลิกภายนอกเข้มแข็งแต่เป็นคนใจอ่อนมีเมตตาช่างสงสารแล้วก็เห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อชื่อเสียงของมิตรชเบญชา เจ้าของหนังรายใดทุนน้อยมิตรจะให้คิวเต็มที่เพื่อจะได้ปิดกล้องแล้วก็เข้าฉายได้เร็วจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและความมีน้ำใจเป็นนิสัยของมิตรซึ่งทําให้มิตรมักจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในกองถ่ายแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อผู้สร้างมาปรึกษาเช่นการประชุมนักแสดงประกอบขออย่าให้ผิดนัดกองถ่ายเพื่อผู้สร้างจะได้ปิดกล้องตามกําหนดไม่ต้องเสียเงินมาก การเจราจากับผู้สร้างเมื่อนักแสดงอื่นๆไม่ได้ค่าแสดงการให้ยืมเงินในการดําเนินการการให้คําปรึกษากับนักแสดงร่วมที่มีปัญหาและด้วยมิตรเองไม่ต้องการให้เสียงานไม่ต้องการให้ผู้สร้างหรือว่าผู้แสดงเรือร้อนต้องการให้งานที่เขาตั้งใจและมีส่วนในการแสดงสําเร็จลงด้วยดีเขาจะรักษาคําพูดแล้วก็ตรงต่อเวลาโดยไม่ต้องให้รอเขาจะมาก่อนไม่ทิ้งงานไปงานอื่นแม้ว่าจะสําคัญต่อตัวเขา เช่นมิตรถ่ายหนังอยู่แต่พระองค์เจ้าอนุสร์ต้องการให้เขาไปงานเลี้ยงงานหนึ่งเพื่อพบบุคคลในวงการภาพยนตร์ต่างชาติแต่มิตรก็ไม่ยอมไปเพราะว่าจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนจนท่านต้องโทรมาขอให้เจ้าของหนังพาไปซึ่งต้องทําให้หยุดการถ่ายทําไปหลายชั่วโมงนอกจากเรื่องในกองถ่ายแล้วครั้งหนึ่งขณะนั่งรถอยู่เขาได้พบเพื่อนเก่าที่ป้ายรถเมย์ทำงานเป็นช่างตัดผมเขาได้ควักเงินหกพันบาทเพื่อให้นําไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ไปทํางาน แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงมิตรเคยถูกผู้ชายแต่งกายเป็นสถาหนอากาศขอยืมเงินไปทั้งสี่หมืบาทแต่ไม่ได้คืนเพราะความโอบอ้อมอารีแล้วการไม่คิดระแวงของเขาเคยถูกเพื่อนที่สนิทไว้วางใจหลอกโกงเงินจํานวน4ี่ 0,000 บาทผลสุดท้ายก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าเห็นใจที่ว่าครอบครัวเขาจะเดือดร้อนชีวิตประจําวันของมิตรชาบัญชาจึงพกเงินติดตัวไม่ได้จะพกไปก็เพียงวันละยี่บบาทเพราะว่าจะถูกเพื่อนขอยืมหมด มิจฉบัญชามีฉายาว่าพระเอกนักบุญผู้ริเริ่มกระถินดาราเขาได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลไว้มากเช่นบริจาคเงินหนึ่งม่นบาทร่วมกับยิ่งยงเสด็จญาติเข้ามูลนิธิสงเคราะห์ผู้พิการในพระบรมราชินูปถมัมบริจาคเงินส่วนตัวสร้างโบสถ์วัดแคนางเลิงห0 0 0 0บาทและกระถินคราวนั้นได้เงินรวมสี0 0สองพัน 68บแาทและบริจาคเงินเป็นกองทุนสร้างอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน1 000, 2 0 0 0ัยบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินขนาดนั้นชีวิตของเขาเคยลำบากยากแค้นมาก่อนรวมทั้งการเป็นทหารสอนให้เขาเป็นคนขยันอดทนกินง่ายอยู่ง่ายอาหารสำหรับมิตรไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเวลากินข้าวก็ใช้ช้อนสังกสีเหมือนกับอยู่ในวัดได้ บางครั้งเวลาไปถ่ายหนังไม่มียาสระผมเขาก็ใช้ผงสกักพอกสระผมแทนมิตรถือคติการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ใช้เป็นพาหนะไม่ใช่พูลิเจอร์ทั้งทั้งที่เขามีเงินเข้าบัญชีธนาคารถึงสัปดาห์ละหนึ่งแสบาทรถยนต์ที่เขาใช้ก็คือรถจีปวิลลี่รุ่นพงมาลัยซ้ายถึงแม้ว่าจะเก่าแก่ในสายตาของคนอื่นแต่เขาก็ใช้อยู่อย่างนั้นต่อมาก็ใช้รถโตโยต้าด้วย สำหรับมีคนขับเพื่อเขาจะได้พักผ่อนแต่ว่าไม่ใช้รถเบนซ์อย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะสามารถซื้อได้สบายๆเนื่องจากเขาคิดว่าถึงเบนซ์จะเป็นรถดีแต่ก็แพงเกินฐานะนักแสดงอย่างเขาแม้ว่าจะเป็นนักแสดงที่ร่ำรวยแล้วอย่างเขาก็ตามมิตรเชยเปนชาเป็นคนกระตันยูต่อผู้มีพระคุณถึงแม่แม่จะไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมาเป็นพระเอกเรื่องแรก ก, ก็ให้ใช้อ่า ใช้บ้านของเขาเป็นฉากถ่ายแล้วก็ให้ที่บ้านจัดอาหารให้กองถ่ายเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้แม่รวมถึงการปรับปรุงบ้านใหม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและญาติในเรื่องต่างๆในเวลาต่อมาส่วนพ่อบังเกิดเกล้าที่ไม่เคยเลี้ยงดูเมื่อพ่อของเขานัดมาพบตัวเมื่อครั้งที่มิตรกับอมาราไปปรากฏตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2504มิตรก็ดีใจ ที่ได้พบไม่คิดโกรธเคืองอะไรแล้วก็ยังรับพ่อมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพทั้งปลูกบ้านแล้วก็ซื้อที่ดิน5้าไร่ให้ที่บ้านที่สายค้านจังหวัดเพชรบุรีความสำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่มิดคิดอยู่เสมอทั้งต่อผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์และโดยเฉพาะประชาชนเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณประชาชนทั้งประเทศวันปีใหม่มิตรชร์มนชาได้ทำสอสอขึ้นเป็นจํานวนมากเพื่อส่งความสุขให้กับแฟนภาพยนตร์ของเขาที่ให้ความเมตตา โดยในปีหนึ่งมีคอความว่ามิทแชบัญชาถือกำเนิดได้เพราะประชาชนกำหนดจึงน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านสี่ปีหลังจากการเสียชีวิตของมิทรชบัญชาได้มีการสร้างหุ่นมิทรชบัญชาโดยเจตนารมณ์ของมิทหลังจากเล่นผีถ้วยแก้วแล้วนำไปไว้ที่วัดบ้านท่าอำเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีส่วนกระดูกของมิรยังถูกเก็บไว้ที่ช่องเก็บกระดูกวัดแคนางเลิง มีผู้แวะเวียนมากราบไหว้ไม่เสื่อมคลายหลังจากมิทธบัญชาได้เสียชีวิตบริเวณหาดดงตาลพัทยาใต้ได้มีการสร้างศาลมิตทธบัญชาตรงบริเวณที่เสียชีวิตต่อมาเมื่อมีการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงแรมจึงได้ปรับปรุงสร้างเป็นศาลไม้ศักขึ้นมาใหม่ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามสำนัก ง, งานสรรพากรหลังโรงแรงจอมเทียนปาล์มบีชบริเวณหาดจอมเทียนนอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อซอยมิทธิบัญชาหรือพัทยาซอยสิ บนถนนเทพประสิทธิ์อีกด้วยในปีพศ2549ได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานมิชเบญชาที่วัดท่ากระเทียมอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดของเขาสร้างหุ่นปั้นมิชเบัญชาแบบไวเบอร์กลัเาเท่าตัวจริงเมื่อพศ2548บริษัทเจเสแอลจำกัดได้สร้างละครเรื่องมิชเบญชามายาชีวิตทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บ, บกช่อง7 ซึ่งมาจากบทประพันธ์ร่วมของกิ่งดาวดารณีเพชรราชวราตและยุทธนาพุ่มเหมโดยเนื้อเรื่องในละครสร้างมาจากเขาโครงเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของมิตจฉาบรรชาโดยละครเรื่องนี้ได้กอลฟอัครา อ, อ ม, มาตยากุลมารับบทเป็นมิตรและวฝนธนะสุนทรมารับบทเพชรรานางเอกคู่ขวัญของมิตรและได้ผู้กำกับระดับแนวหน้าของเมืองไทยอย่างฉลวยศรีรัตนามาเป็นผู้กำกับ ในการรำลึกการจากไปของมิชัยบัญชาเหลาวันดาแฟนภาพยนตร์ได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2530ภายในงานเป็นนิทรรศการภาพการฉายภาพยนตร์ของมิชัยบัญชาโดยในปีพศ2550ได้มีการเปิดตัวละครวิทยุเรื่องดาวดินปาฏิหาริย์แห่งรักลิขิตแห่งหัวใจโดยมีเอ็มเฉลิมกรุงด้วยอิงขศกเกตหอม เป็นผู้ประพันธ์เรื่องอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติมาประพันธ์คําร้องทํานองให้เพลงที่มีชื่อว่ามิตรเชมัญชาในลักษณะสากลปนแหนให้กับละครวิทยุเรื่องนี้โดยชินกรไกรลาศได้เล่าถึงการประพันธ์เพลงนี้ว่ามองมิตรว่าเป็นดังพรมคือเป็นนักแสดงที่ยึดหลักพรมวิหารสี่คือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา โดยในการจัดงานทุกๆปีจะมีผู้คนเดินทางมาจากทุกคนทุกแห่งทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศเพื่อมาร่วมงานครับนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูโซกรุงเทพได้จัดทำหุ่นขี้ผึ้งของมิรในชุดอินสีแดงเพื่อจัดแสดงณนะพิพิธภัณฑ์ชั้น 6-7 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ร่วมกับหุ่นของบุคคลสำคัญคนอื่นๆด้วยครับ